เสียงอ่านหนังสือปฏิปฏิปุชาวิสัชนางานเขียนโดยแม่ชีคุณหญิงดำรงธรรมสารใหญ่วิเศษสิริสำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้มีหัวข้อหนึ่งที่อยากขอเสริมความเข้าใจเพื่อป้องกันคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเข้าใจผิดนะครับเรื่องจิตก่อนตายพาคนทำดีตลอดชีวิตไปทุกขติและพาคนทำชั่วมากมายไปสุ ข, ขติได้ก็จริง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนทําชั่วมาตลอดจะทําจิตผ่องใสก่อนตายได้นะครับลองคิดถึงถ้าเราเกลียดใครสักคนเราจะนึกอภัยได้ปรบปรับมันทําได้ไหมความอยากได้อยากมีความหวงสมบัติหวงลูกหลานไม่ต้องพูดถึงคนชั่วนะครับคนดีๆยังตัดใจไม่ได้ง่ายๆการที่จะมีคนหรือเหตุการณ์มาส่งให้จิตผ่องใสก่อนตายได้อย่างที่ได้พระสารีบุตรมาจูงจิตก่อนตายจนไปสวรรค์ได้นั้น สุดท้ายต้องเพราะบุญเก่าที่เคยทำมาซึ่งอาจเป็นหลายชาติก่อนที่มาส่งผลดีให้จะอยู่ดีๆได้รับโชคดีแบบไร้เหตุผลเป็นไปไม่ได้นะครับกรณีนี้เป็นไปได้มากว่าอาจเคยร่วมบุญเคยทําดีกับท่านพระสาวรีบุตรมาแต่ชาติปางก่อนผสมกับบุญเก่าที่มากพอจึงได้พระอราาัครสาวกมาอนุเคราะห์ให้พ้นทุกขติไปได้ก่อนตายอย่างเฉียดฉว เหมือนพระองคุลีมานที่ก่อนบวชฆ่าคนมามากแต่ก็เคยสร้างกุศลมหาศาลมานับชาติไม่ถวนไม่อย่างนั้นจะไม่มีทางได้เจอพระพุทธเจ้าจิตจะไม่น้อมในธรรมจนบรรลุอรหันต์ได้ในเวลาไม่นานทุกอย่างต้องเนื่องมาจากกรรมของแต่ละคนเป็นสำคัญต้องเข้าใจว่ากรรมดีชั่วที่ทาไม่หายไปไหนจะรอให้ผลในเวลาที่สมควรเสมอเหมือนปลูกต้นไม้ที่โตให้ผลต่างกัน หากทำชั่วมามากจิตชุ่มไปด้วยโลกโกรธหลงถ้าบุญเก่าไม่มากพอแม้จะตายไปเกิดในสวรรค์เมื่อบุญหมดก็ต้องลงอบายภูมิอยู่ดีหรือหากได้กลับมาเกิดเป็นคนบาปเก่าจะส่งผลให้มีชีวิตที่ต้องเจอทุกข์ตามน้ำหนักกรรมเจอสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้ทำชั่วได้ง่ายถ้าไม่เพียรสร้างความดีให้มากพอไม่สนใจฝ่ในศีลในธรรมโอกาสตายด้วยจิตผ่องใสนั้นเป็นไปได้ยากมากนะครับ แต่เข้าใจเรื่องกรรมต้องมองกันยาวๆไม่ใช่มองแค่ชาติเดียวหรือไม่กี่ชาติเท่านั้นกรณีคนทำดีมากมายแต่ตายด้วยจิตเศร้าหมองไปอบายภูมิแต่ก็เพียงไม่นานด้วยบุญเก่าที่มากพอจะส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปในเรื่องที่พระไปเกิดเป็นเลนนั้นก็เพียงเจ็ดวันเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่พลาตายแบบนี้แล้วเพียงไม่กี่วันก็เปลี่ยนภพภูมิเป็นสุขติ เพื่อสวยบุญที่ได้เคยทำให้สมกับน้ำหนักบุญกรรมที่ทำไว้อยู่ดีเรื่องผลกรรมยังมีปลีกย่อยอีกมากที่ควรศึกษาพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนมากปฏิเสธเรื่องกรรมส่วนหนึ่งก็เพราะได้ฟังคำสอนเพียงหัวข้อและนึกค้านในใจได้สารพัดซึ่งแน่นอนว่าบางอย่างเชื่อได้ยาก ไม่ได้รู้ข้อมูลให้ครบด้านและปฏิบัติพัฒนาจิตให้ถึงระดับหนึ่งได้จริงก่อนต้องกราบขออภัยที่หมายเหตุเพิ่มในเรื่องนี้ด้วยหวังถึงคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาที่อาจเข้าใจผิดในบางประเด็นได้จึงขอฝากส่วนนี้ไว้ให้พิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทาเพิ่มเติมอีกดังนี้รอบรัวทรงผลกัญญาวิจิตเชือ้อ จิตติมาเดรนุงรักสุวววิวัตรยองเอ็นวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตสุปราณีบุญกันมาดวดีปั้นงามสุวิจักภูนสวัสดิ์ชาญยุทธอ่อนอินชาวระวีตรงสถิตกคุณปฏิพัทธพลายแก้วรสกรกุลเพิ่มทวีรัตนันทนาเวนัดกสิกฐ์คณานาพรวารมร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องและในส่วนของรายละเอียดในทุกช่องทางที่จมกรมพลดีเผยแพร่นะครับ ขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับเจ้าภาพทุกท่านและท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านด้วยเถิดเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดเสียงอ่านทุกเรื่องอาจมีการอ่านออกเสียงผิดหรือเว้นวรรคผิดได้ทั้งจากความเข้าใจผิดหรือพลั้งเผลอเอง